งานนั้นเป็นงานของพวกเราที่จะต้องปฏิบัติเพื่อจะให้ทำคำสอนคุณดีเจ้าก็มีไว้ว่าถ้าผู้ใดมีสติสมาธิปัญญาบริบูรณ์ในใจแล้วหนึ่งนั่นทางพ้นทุกข์ทั้งปวงทางพ้นจากธาตราพยาธิพนาณนะหรือทางพ้นจากความแก่เจ็บตายถ้าว่าใจหนึ่งยังไม่บริบูรณ์อันนั้นล่ะไม่ได้ มีแต่ความทุกข์ยางราบากก็ต้องแม้จะสร้างบุญอย่างอื่นธาตุไม้ศิลาไม้ก็ทำแต่ก็ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเท่านั้นนิพพานสมบัติยังไม่ถึงก็ต้องอยู่ในสภาวะที่แตว่าเกิดแก่เจ็บตายมนุษย์ทางไหนทุกๆคนก็กลัวอันนี้นีกลัวแก่เจ็บตายแต่ว่าเราก็นีไม่พนแต่ว่าพวกเราก็มองเห็น ก็เลยสวดกันเราแก่ธรมธรมดาเจ็บไข้ธรรมดาตายธรรมดาจัดพักผักจกักของนักของทอดใจธรรมดาแค่ว่าสบายอย่างนั้นแต่เมื่อถึงข่าวเขาแล้เอาโอ้โหรู้ไปได้โดยเฉพาะคือตายธรรมดาบางคนนะใกล้ๆจะตายถึงข่าวก็ร้องไห้น้ําตาไหลกันพี่ัวตายที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าใจของเรา มันไม่มีคุณธรรมนางกล่าวแล้วใจของเราไม่มีคุณธรรมคือสติสมาธิปัญญาว่าตามหลักปฏิบัติเรียว่าศติสมาธิปัญญาเมื่อว่าภาคปฏิบัติเรียกว่าสติสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาอันนี้มาเกิดผุดมันมีอยู่ที่ใจนะมีอยู่ที่ใจคนจึงนําใจนะให้หลุดพ้นจาก มาอยู่อาศัยของที่แก่เจ็บตายดังนั้นการปฏิบัติของพวกเราเนะี่ยเราต้องสร้างศรัทธาชั้นท้าก็ร้อยมั่นคง ม, มากกว่านี่ทางทางที่จะให้เราพนจากชาติชาไปมาก็ขึ้นอยูก่การปฏิบัติในด้านภาวนาใหมาน่นี้ไ ม, ไม่ไม่ใช่ที่อื่นเขากลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายจะเอาแต่ให้ทานรักษาศีลเท่านั้นไม่พอ ทานะไม่ศีลละไม่ัญนีไว้แล้วสามอย่างทานไม่ีลไมภาวนาไม่าามนมีให้แล้วต้องทําทั้งสองอย่างสามอย่างนั้นให้มันพอมท้บริบุญ <c oughs> แล้วเราก็จะพากันไปเข้าใจแต่เรานี้ไม่มีวาดสํานาบารามีคงจะไม่ได้ไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ถึงตามที่ท่านว่าไว้เราก็ทักคํานึงว่าบารามีนะใครจะสร้างใครจะทําต้องเราต้องสร้างต้องบารม บามีสร้างขึ้นมาขนาดนี้เรารู้สึกตัวเร า, เ ร, าเรียกว่าเรามีบุญเกิดได้เป็นเกิดเป็นมนุษย์เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงหูก็ไม่หนวกตาก็ไม่บอดอยังจิตใจก็ยังมีสติสัมปชัญญะไม่ใบบาทเสียชดิตก็ยังที่จะสามารถนำคำสอนคุปตเจ้าไปประพฤติปฏิบัติได้คาสอนคุปติเจ้านี่เราเรียนรู้ เกิดได้ฟังฟังแล้วก็ต้องปฏิบัติคือกระทําแนหลักภาวนาใหม่นั้นท่านให้มีหลักเป็นประจำ ก, ก่อนนอนก็ตั้งไหวพักอดโมุน์ น, นั่งภาวนาตื่นนอนก็ไหวพักอดมต น, นนั่งภาวนายิ่งเป็นวันพักก็ให้ทหํมาม า, มากๆหน่อยหนึ่งเมื่อเราทําอย่างนั้นสม่ำเสมอแล้วชั่วชีวิตของเรานี้ถึงเวลาถึงใกล้าตายละมันก็จะมี ทางให้เกิดทั้ห น, นีขึ้นเราจะเป็นคนไม่หลงทมกากริยาจะนึกถึงบุญถึงกุศลจะมีสติสัมปชัญญะได้รู้จักของแก่เจ็บตายขนาดนั้นแล้วแต่เมื่อมันยังไม่ถึงนั้นก็ เ, เ, เพียงพยายามที่จะสร้างที่จะทำแล้วก็สร้างศรัทธาลงไปว่าคำสอนพุทธศาสนาในพระเดจจารสอนพวกเรานะให้เชื่อกับเรื่อการกระทาเรื่อการประกอบ เราจะมีเราจะจะเป็นเราจะถึงได้นั้นต้องทําต้องประกอบทั้งนั้นไม่ใช่ไปอ on ้อนวอนบางคนจะถือว่าเอ้าให้ทันมากๆแล on ้วอ้อนวอนขอให้ข้าไปเจ้าบรรลุมรรคบลัยพันอย่างนั้นมันก็เป็นไปได้ยากถ้าไม่ปฏิบัติมันต้องพร้อมทั้งสามอย่างทานละไมา่ก่อสีลละไมา่ภาวานาไมา่ก่เป็นเครื่องประกอบหมายถาว่าเมื่อมันยังไม่ถึงสุดท้ายอาศัยทานในศีลถ้าจะมาเกิดเป็นมนุษย์แต่มีทานก็แบบ เรียกว่าเป็นในมนรรย์สมบัติแตโครงสาสมบัติมีสีก็ได้รูปสมบัติไม่ปฏิบัติทางร่างกายแล้วก็เป็นฐานที่จะให้บําเพ็ญภาวนาไม่ต่อไปได้เราต้องเชื่อลงไปว่าเออเราต้องทําเอาต้องสร้างเอานะเกิดปับไม่มีใครที่จะสร้างให้ทําให้เราเท่านั้นสนะร้างเอาทําเอาอันนี้เป็นงานเฉพาะของเราจังหาใช้คนอื่นเาสร้างให้ฐานให้ทําให้แทนไม่ได้ มุเกียร์วัตถุที่ทําอย่างว่าทานทําเผื่อกันได้เมียไปวัดเมียไปทําทานแล้วผัวน้องโมทนาด้วยก็เรียกว่าผัวก็ได้บุญด้วยกวุศลด้วยแต่ว่าตรงกันข้ามผัวไหว้ยินดีพอใจบางทีจะขาดขวางเมียโดยซัําไปอย่างนึงจึงไปใหญ่แต่ว่าถ้าร่วมกันยินดีพอใจร่วมกันแล้วก็ได้บุญทั้งสองคนเมียไปทํำทานได้หรือว่า ผม oh, ไปทําแทนได้อันนี้เฉพาะทานทําแทนกันได้แต่ว่าสีนะี่ทำทานไม่ได้ทําแทนไม่ไดเ้เพราะมันตัวใครตัวใหมการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยอันเนียวกับศักดิ์สินศิขาศีลสักขาต่างหากอเรารักษากายวาจามันว่าไม่ขาสัตว์รักตั้งบัพเพิสทินาการอาริ น, นเป็นฝ่ายกายส่วนวาจาก็ ไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้เรหรือเาถ้ารักษาอย่างนี้นั่นละรักษาสิเมื่อเรารักษาอย่างนี้ก็เป็นการรักษาสิขาบทนั้นไปด้วยแต่เราเพี ย, พยายามทำอยูน่นี่ว่าเราทำดีอยู่ตลอดเองสิ่งเหล่านี้มันจะเพิ่มเติมส่งเสริมขึ้นโดยลำดับส่วนภาวนาบางีฝ่ายภาวน า, า, วนาอย่างว่าเราก่อนนอนเอไหว้พระนั่งภาวนา กรรมฐ า, านก็ไม่ต้องเอาอย่างอื่นเอาพุโทโธลมหายใจนะหลวงพ่อเลยแต่งหนังสือทำหนังสือให้เป็นหลักไว้ทุกคนไนดะ้ไปอ่านัามีวิธีการทํามันส ง, งบเป็นยังไงยังไงมันเกิดนิมิตอังไดนะเขียนไว้หมดแล้วเนาะให้แก่ได้เล น, นแต่ว่าปกติต้องใช้ใจกับลมหายใจข่อหายใจแรงๆก่อนหายใจพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธ เอาไปนานๆเมื่อทํานานๆเข้าใจก็จะรวบตัวเข้ามาต่อจากนั้นเราก็ตั้งใจรักษาใจได้นั่นคือ ว, วิธีสําหรับให้ต้อนใจของเราเข้ามาก็ถือว่าเราก็ทําแล้วก็ให้พากันนึกถึงอันิสงอันนิสง์สงต้นๆที่ใจของเรายังไม่ถึงน่มันจะได้ในขณะที่เราก็ทํามันลําบากหรือว่าเรานั่งพอเอาสามสิบนาทีนะจะบังคับตัวเองบางสามสิบนาทีหรือชั่วโมง เราบังคับการหนุลนลมหายใจพูดโทพูโทพูดโทระวังรักษาจิตกูจิตไว้อย่างนั้นเนีมันแวบลำบากใจไม่สบายหมายถือว่าขับครั้งแรกแต่ทีนี้เมื่อเราหยุดแล้วมันสบายนะทีนี้สบายกายสบายใจด้วยนี่ทําต่อไปทาํามากขมากเข้ามันก็รู้จักวิธีกําห น, นดณลมหายใจเขาออกอย่างไดตั้งจิตอย่างไดมันเป็นที่สบายแล้วก็มีความรู้ขึ้นมาอีก อย่างนี้เดียว่าปัญญาเกิดจากการกระทําหรือการประกอบถ้าเราไม่กระทําและประกอบแล้วมันไม่มีไม่เป็นแล้วก็สําหรับกรรมฐานสาหรับภาวนาแทนมีหลักให้ภาวนานถึงสี่สิบเดียวกับกรรมฐานทั้งเจ็ดแต่ว่าเราเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเยียงว่าพุทธานุสติกับลมหรืออานาปากับเอาอย่างเดียวนะั้นจะไปเปลี่ยน คนอื่นเขาว่าดีๆอย่างนั้นพุทธสำนักนั้นว่าดีอย่างอย่าไปเชื่อจับจับจดๆมันไม่ได้ผลหรอกบางทีไประชมตีพวกภาวนาเอาพระภาวนาพุทโธพุทโธภาวนาพุทโธโพลเราไม่เป็นวิพัสนาภาวนาอย่างอื่นก็เหมือนกัน่ะใจต้องสงบแล้วก่อนเมื่อใจไม่สงบจะไปเอาวิปัสสนาก่อนไม่ได้อตัวอย่างเช่นว่าเขาภาวนาเอากายยตาหรอกกายยกตานั้นเป็นวิพัสนา กำหนดกายพิณากายกำหนดกายพิณากายบางคน่ะกำหนดไปกำหนดมาก็เพ่งกายเห็นกายขึ้นมาดีเห็นร่างกายกันมาเห็นเนื้อเห็นหนังเห็นกระดูกานา่นขณะนั้นก็เห็นเนื้อเห็นหนังธรรมดาขณะนั้ น, น, น, นก็เนือ้ออกไปเห็นร่างกายเห็นซากกระดูกแล้วทีเอาแล้วกลัวใหญ่แล้วทีเนี่ใจมันไม่ไม่ลงสู่ความสงบเท่าอ่ะมันไปตามขั้นตอนแล้วมันก็ดีไปขั้นตอนไหมเขว่า ถ้ากำหนดกายพินาศกายกําหนดกายพินากายแล้วปรากฏบาปเห็นกายขึ้นมาขั้งแรกเรียกโอคานิมิตคือเห็นรูปร่างกายของเราท่านร่างกายนี้เป็นยังไงผมมันเป็นยังไงขนเป็นยังไงพันเนื้อหนังเป็นยังไงมันก็เห็นตามธรรมดาธรรมดาที่ที่กายเขาเราเป็นนั่นแหละนี่แรียกโอคานิมิตอารนี้มันมาเห็นอย่างน้อก็กําหนดรู้ถ้าใจมันเห็นแล้มันต้อจับแต่หูขานี้ เมื่อเห็นมาเข้ามาเขาก็เปลี่ยนสภาวะทีเนี่ไอ้หนังไอ้หนึง่งที่เดิมันห่อกายของเราเปลือยออกไปเป็นซากกระดูกขึ้นมาทีเนี่ยผลสุดท้ายเรา ล, ลอยลงเป็นดินเมียงลงไปแตกดับลงไปเลยทีเนีบางคนคกําหนดเนี่ยคนเราเนี่ยเกิดมาแก่เ ก, กิดตายลงผลสุดท้ายเขาเขาไฟเอาพอนึกท่านั่งไฟไมมวับขึ้นมาเลยหายหมดทีเนี่ยกายไม่มีเพราะกายไม่มีแล้วบางค น, นใจสงบลงปุ๊บเลย อย่างนั้นได้ความดีเกณฑ์อปนาสมาธิเลยเนึย่ก็เป็นเกิดวิพัฒาานาญาเกิดขึ้นเลยอย่างนั้นคือมันผ่านการเห็นกายหนึ่งแต่ทีถ้ามาไปเห็นกายเห็นกายแล้วใจไม่สงบลงเป็นสมาธิก็ยากอยู่บางคนก็นเลยเป็นเกิดกลัวสิ่งนั้นนั้นดันั้นครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่พันอบรมป ฏ, ป, ฏปฏิบัติท่านจึงสอนให้ใช้กรรมาฐานที่ง่ายๆก่อนกรรมาฐานง่ายๆก็อย่างพุโทโธพุโทโธนั่นแหละ ถ้ามันเกิดนิมิตอะไรมันก็ไม่มีนิพการนั่นไม่มีวิพีิหน้ากลัวแล้วเมื่อใจสงบเป็นสมาธิแล้วจึงจะสร้างวิปัสสนากรรมฐานที่หลังวิปัสสนากรรมฐานมันเข้าใจนั้นสงบลงเป็นสมาธิแล้วใจเป็นหนึ่งแล้วแล้วจึงมากําหนดรู้กายทีนําหนดรู้กายทั้งหมดทีนําหนดรู้กายกําหนดรู้กายพิจา่นายกายคำนดรู้กายพี่ณากําหนดให้รู้จนกว่ากายนั้นมาจะปรากฏให้จิตเห็นแต่ในขณะที่กําลังทํำทำเนี่ยยังไม่เห็นอยู่ ก็กลับใไปสงบจิตซะ ก, ก่อนทําเป็นทับทกไปคือเอาใจมา ส, สงบรู้อยู่ไม่ไม่เหตจิตคิดนึกอะไรต่งางๆจิตเป็นหนึ่งอันเดียวเป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นเมื่อเป็นหนึ่งจำจุดนั้นไว้แล้วเมื่อกําหนดรู้กายถึงกาหนดรู้ตัวทั้งหมดทั้งนอกทั้งในเห็นทั้งพิจนาทั้งนอกทั้งในอะไรต่างเมื่อทํานานสะสมกว่าก็กลับไปสงบอีกก็ต้องทําอย่างนั้นถ้าไม่ทําอย่างนั้นเดี๋ยวก็จิตก็ ก็เลเปิดเปิงไม่เข้าสู่ที่แล้วอันนี้หมายถึงว่าเราทําใจให้สงบลงไปแล้วแล้วจึงจะทํากําหนดกายพิจรณกายือัึงว่าเราใช้กรรมฐานพธิโทโพธิ์นี่ให้ใจสงบเป็นสมาธิแล้วเป็นสมาธิแล้วจึงจะทำสิ่งนั้นนั้นได้หรือวิปัสสนากรรมฐานชีวิตวิปัสานาญาณก็จะเกิดตามเรื่องวิธีการพิจารณากายคตานี่เนี่ยจะนําตัวอย่างมาให้เล่าให้ฟังในครั้งพุทธกาล มีอบาบุตปมาสิกาใหญ่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเดี๋ยว่าเป็นแม่บ้านแม่ใหญ่นี่ก็แม่ใหญ่ทีเดียวลูกชายนะเป็นใหญ่เป็นโตเป็นหัวหน้าหมู่บ้านแล้วนะชายคนก็นับถือโยกคนนั้นเดียวว่าเป็นคนมีบุญกันแล้วก็ต่อมาว่ามีวิสุทธิ์มาจากกรุงสวัสดีเนี่ยแต่ว่าที่ดังทีนะ่เป็นสถานที่ไดนจาไม่ได้แต่ว่าเป็นที่แห่งหนึ่งไม่ใช่ไม่ใกล้กับ กรุงสวัสดีไม่ใค่ายกับวัดเกตาวันพอไปสุดทั้งหลายเล่านะตอนมาแล้วท่านตอนช้าเท่า ก, ก, กับบินท บ, บาทพอเวณนาบาล์อมบาสิกาคนนั้นก็เห็นที่สุสามเสือนก็เกิดความเดิมใสจะพูดอย่างว่าท่านจะไปที่ไหนอจะอยู่อยู่ที่ไหนท่านเหลนั้นก็บอกว่าอารมามหาสถานที่สำหรับที่จ ะ, ะบเำเพ็ญสมณธรรมโยมคนนั้นก็เกิดความเรื่อมใสจง วาระเขาไปได้จะสร้างที่พักที่อาศัยให้ท่านหลายๆจำมันตาแต่งมีบริวารมากก็สั่งบริวารไปสร้างกระตับสร้างคุติสร้างสาระลาใ้ให้พิสูจน์ทั้งหลายเหล่านั้นได้อยู่จํามันตาพิสูจน์สามสิบรูปเงินทองเข้าพรรษาพับท่านก็ตั้งกติกากันเราจะอยู่รวมกันสองวาระวาระที่หนึ่ง วาระไปบินธบาทแล้วก็มาฐานรวมกันวาระที่สองคือทําหน้าที่ในการปฏิบัติพระเถรสองวาระนี้เท่านั้นเราจะอยู่ร่วมกันนอกจากนั้นจะอยู่ใครอยู่มันอยู่ที่พักกลางวันกลางเดินของขครของมันไม่เกี่ยวข้องไม่ไปไปคุยกันขอตั้งกัิกาแต่ว่าถ้าผู้ใดมีเหตุเจ็บไข้หรือป่วยอย่างใดมีเหตุอย่างใดก็ให้มัเอาสัญญาลาขัง มีละครั้งไว้ที่สาลานี้ทำใม้เหตุจะในข้นมาตีละครั้งพวกเราก็จะมาประชุมกันช่วยกันจัดการหน้าที่อันจริงที่เกิดที่มีขึ้นนั้นเมื่อท่านเหล่านั้ น, น, น, นตั้งกระดิกายกันอย่างนี้กันเหล่านั้นก็ตั้งอยู่ในที่พักกลางวันกลางคืนกเองท่านเหล่านั้นอาการสาทยายอาการสามสิบต่อหอนานเาาานื้อกายรกตาเนื้อก็ว่าอย่างอย่างสับบาลีอย่างที่เทางตรวจ เกษารโลมานาคาลันดาตะโจตะโจนันเตยอาการสามสิบสองนว่าหมดอย่างที่พวกเราตรวจเกสาคือผมทั้งหลายโลมาคือคนนั่นแต่ว่าท่านไหวจะพ่อพาษามบริษัทก็เข้าใจแนะแต่ว่าสาธยายอยู่อย่างนั้นไม่แต่พี่นะไหวยังไงเมื่อว่ามากเข้ามากออกมันจริงะมันก็จะปรากฏเห็นสิ่งอย่างนั้นขึ้นมาเองหือว่าทั้งหมดตั้งแต่ผมมันผมคนเล็กนว่าไปหมดเลย อย่างที่พวกเราตรวจทีนี้สิ่งใดที่มันเคยเคยชัดเจนมันก็จะชัดเจนให้เห็นขึ้นมาเมื่อมันเห็นผมวาบขึ้นมาก็เอาจิตจัจ่อไว้ที่ผมนัน่งพับเป็นพิธีกำหนดไว้ที่ผมนัน้นตั้งไว้ที่ผมนัน้นเมื่อเห็นที่ผมนั้นก็จะวาบให้เห็นผู้ต่างทางอันนี้อันนี้เป็นอุบายวิธีสาหรับปฏิบัติแต่ว่าที่สุดท้ายเซลรู ป, ปกรพัดกันทํางนี้ยังไม่เกิด ต่อมาบาซิกาผู้ที่สร้างวัดให้นั้นแล้วแล้วก็ตั้งใจวเ่เราจะต้องไปเยี่ยมฝ่ายพระคุณเจา้าเท่าน่อยจึงให้ท่านอยู่จำรรษาแล้วยังไปเยี่ยมเยิยนท่านเลยท่านจะกิจมิตรละอะไรอยากจะทําอะไรเราก็จะไปหาท่านก็ไปกับพวกคนใช้ไปถึงวันเราก็มีไปเห็นแต่ศาลาไม่มีใครทุกคนเดียวเราสงสัยพระคุณเจ้าของเราไปทางไหน ก็พอดีมีโยมคนหนึ่งที่อยู่ตรงนั้นเด็กน้อยอยู่นั้นก็รู้จักก็ถามว่าบุญพระคุณเจ้าไปเถอะพระคุณเจ้าท่านมีกติกากันท่านจะไม่ไประชุมกันไม่รวมอยู่รวมกันถ้าอยากจะพบกับท่านแล้วก็ให้ตีละคังบริการนี้ก็สั่งให้เด็กนั่งตีละครังพอตีละครังแล้วที่ส่วนทางหลายเหล่านั้นได้ยินคนพา ก, กันมา แต่เราออกลงมาคนละที่แต่ที่ไม่มารวมไม่มาพร้อมกันหายิกใก็มาสงสัยพระขนเจ้าะเหล่านี้คงจะทะเลาะกันหรือมั้งเห็นอยู่รวมกันเลยมาใครกันมาอยู่คนละที่ละทางคงจะทะเลาะกันแล้วพอท่านมายโก็ถามเลยพระขนเจ้าทั้งหลายทะเลาะกันหรือเอาเลยถามเลยถ้าหลานนั้นใช่ต่อต่อโอาธรรมาพระเอามทะเลาะกันแกธรรมมาพระทั้งหลายมาภาวนา อยู่ในที่พักกลางวันกลางคืนนักศึกษาทยาอาการสาสสองอะนะหาบริการก็บอกว่าเพะว่าการษาธยาอาการส่วนสองนั้นมีได้เฉพาะหมู่ขั้นพิสูจนเ ห, หเรือสาหรับค่าบริหาอย่างข้าพเจ้าจะทําได้ไหมเหรลนะก็ตอบว่าพระพุทธเจ้าไม่ห้ามทําได้ทุกคนนคั่นแหละบริการทั้งนั้นนะครับบุคคลเจ้าก็บอกอาการสาสองให้ข้าพเจ้าหน่อยสิที่สุดทัางหลายก็สาร สอนอาการ 3, สามสิบสเกศาโลมาเลยบรรยาการเลยก่อได้แล้วก็กลับไปถึงบ้าน้าไปสาธยาอาการสามสิบสองหนึ่งคืนเดียวเท่านั้นเอยซาโลมาก็เกิดเห็นอกภาณิมิตปฏิภาณิมิดโดยธรรามาจิตสงบเป็นสมาธิมีปรสนาญาณเกิดสาเร็จเป็นพระนาคาสาเร็จเป็นอริมงคลช่านอนาคามีนั่นได้เป็นอนาคามีเลย ผ่านพลเมโสดามนตักาคา้าสองขั้นสามขั้นธนาคารเป็นผสมดามนตักระทานาค า, า, คานาคาล ะ, ละสังโยนได้จัห้าผสมดามนละสังโยนไดสามตักะ า, าก็ได้สามเหมือนกันแต่ว่าบรรเทาโลภะถอนมหหอได้แต่ธนาคาเมได้ห้สกายทด้ีวิจิกิจฉาสีนัมหตปรามาต กามาราค้าปฏิฆะอ่าอยากและไดขาดสิ้นเลยพอละได้แล้วเท่า น, นั้นนะขานี้ท่านกดบาสิกานั้นได้อภิญญาจริได้เมชาคือได้อภิยาสามารถรู้กําหนดรู้จิตของคนอื่นได้หมดเลยเมื่อบาสิกานั้นได้อภิญญาอย่างนั้นแล้วเดีย๋ยวโอ้พระคุณเจ้านะมาแนะ น, นําทีนี้มาพี่รารว่าเอ๊ะพระคุณเจ้าลูกของเราเนะี่ยทั้งหลายเนี่ย หากันมาบำเพ็ญสมัมมาทิฏหากันได้บรรลุมรรคผลแล้วยัง่งก็ไปพิีนะ่ณาจิตของพิ่สุสามสิรูปหนึ่งแต่และองค์ลงก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลสักองค์เดียวใจยังดําปื้อๆ อ, อยู่กีเดชยังห่อหุ้มใจอยู่แต่ก็เอท่านเหล่านี้จะมีนิสัยวาสนาที่จะบรรลุมรรคไหมไ้่มีนะก็มีคําตอบว่าเออมีนิสัยวาสนาที่จะบรรลุมรรคอยู่แต่ว่าเป็นมันมีเครื่องขัดข้องอะไรล่ะ กับพี่าเซ็นัดสามสามป่ายะสามบายะเพราะสถานที่เป็นที่สบายมีไหมก็รู้อะเ อ, อสถานที่เป็นที่สบายมีอยู่ได้แล้วแต่ใ น, นาสนะปาแล้วบุคคลที่เป็นที่สบายมีไหมบุคคลที่เป็นที่สบายแล้วอุปทานขงลูก็ดีมีอยู่แล้วก็ไม่เนี่ยเอออาหารอาหา ร, าหารสปายะมีมไหมพิี่ณาถึงเรื่องอาหารเนี่ยโอ้อาหารนี่ยยังไม่ยังไม่เป็นสปายะ ไม่เป็นที่ที่ถูกพาดขันของภิสุสาวถิโรูน์นั้นจึงไปทางให้ขัดมรรคผลอยู่ตอนนั้นอุบาสิกาก็สั่งคนทำอาหารการกินแต่และอย่างละอย่างละพอาทำไว้กับเอาไปใส่ภาชนะก็ตั้งไปแถวอะไรควบไว้พอภิสุทั้งหลายมาบินถวายก็บอกอาขาคุณเจ้าทั้งหลายขอให้ท่านจงเลือกเอาอาหารตามชอบใจ ท่านชอบอาหารชนิดใดก็ให้เลือกเอาไปตามนั้นโยมเอาไว้ให้ทุกทุกองลนะให้เลือกเอาไม่ให้จะเอาทั้งหมดนะให้เลือกเอาที่สุดทั้งหลายเนะี่ยก็เลือกอาหารตามชอบใจใจ่าบาทแล้วก็กลับไปไปฉันคอฉันได้วันสองวันเท่านั้นเขได้อาหารเป็นทีสบายหมดนะพราะท่านรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารอยู่แล้วอาหารดี ก, ก็ไปเฉยฉันเอาจนนอนหลับไม่เข็น ฉันพออยู่ได้แล้วก็บําเพ็ญสมาสาธกการสาทยายอาการสาสิสองสองสามวันนั่นแหละเราได้บรรลุกันเลยในเป็นพระโสดาบันสกทากานะอรหันต์สำเร็จอรหันต์เลยถูงกว่าอุบาติกาอุบาติกานั่นเป็นก็ได้แค่นาคามีแต่ไปสุดได้เป็นอรหันต์พอได้ออหันต์แล้วก็น้อมไปพิจารณาถึงจิตของบาติกา บว่าบัญญิกาเนี่เป็นผู้มีบักรามาแก่พวกเราบัญญิกาพนดีมีอุปราคแก่เรา ม, ามาหลายชาติแล้วถ้าเรานะักก็พี่นาะได้ความตามหมดบาญญิกาก็รู้ที่เนะี่ยบอโอ้พระคุณเจ้าทั้งหลายก็ได้มรณะผลแล้วพอออกพรรษาแล้วก่อนออกพรรษาพิสูจนทั้งหลายเหล่านนั้นได้สําเร็จละหันหมดเลยพอสําเร็จละหันแล้วถึงออกพรรษาแล้วก็ลา เราปฏิการแ้วไปเฝ้าพุทธเจ้าปฏิกา ร, า ก, ารก็ไม่ไหวเลยก็กลับไปไปเฝ้าพุทธเจ้าอันนี้ว่าถึงปฏิบัทาของอุบาสิกาแม้เป็นกระเลือดกุลเขาสาธยายเกสาโรมามันก็ยังไในมันุษยมาก่อนเขาทำจริงเกิดศรัทธาทําจริงเท่าก็เกิดทีนี้ว่าถึงวิธีการเกิดของกายยัคตาของกายนี่นะอยสาธยาย เอสาเกิดผมทั้งหลายโรมากเกิดนทั้งหลายนการี่เราตรวจตรวจไปอย่างนั้นน่ะไปทุกหลล่ะพอจบแล้วก็ตรวดขึ้นใหม่ตรวจยืนอย่างนั้นนะหายใจมันอยู่กับปัจจะรนะทนนีนี้ตรวจมากข่ามากเข้าบางอย่างมันก็เกิดเป็นอกาลิวิตปรากฏขึ้นให้จิตเห็นในนักวิทยาวาสตรางคนี่ว่ระรูว่ า, รวาปรากฏเห็นผมผมเกิดว่าให้จิตเห็น เห็นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายก็ให้จิตเทียบจดจ่อตรงที่นั้นสจับตรงนั้นมาันทีจะบว่าเห็นผมพับดึงความรู้สึกประคองใจเข้าถูกผมนั้นจับที่ผมนั้นว่าอาการที่เห็นอกการิมิตนั้นยังไหวเห็นในจิตไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยตาเห็นในจิตกับเห็นด้วยตานั้นต่างกันเห็นด้วยจิตหนึ่ง เห็นทั้งเห็นรอบเลยเหมือนกับอยู่ที่สูงๆเห็นรอบเลยแต่เห็นด้วยตานี่ยถ้าเห็นข้างหลังก็ข้างหลังเห็นข้างหน้ากับข้างหน้าข้างหลังไม่เห็นมันต่างกันตรงนั้นถ้าีเจนเห็นหนึ่งมันจะเห็นรอบเลยทั่วเลยีนี้เมื่อเห็นกายนะนะวิธีการปฏิบัตินี้เมื่อเห็นถือว่าเห็นผมหกเอาผมนั่ไม่ต้องเอาอย่างอื่นล้ะจับผมนั่นหน ก็ชัดเข้าชัดเข้าจำกับวาบให้เห็นทั้งหมดเลยทีเห็นทั้งร่างกายสะพางกายเห็นเห็นทั้งเนื้อทั้งหนังเห็นทั้งนอกทั้งในเห็นตับไตไส้พุงทุกอย่างหมดเลยทีมันก็ครั้งแรกมันคือนานข้าวนานข้าวเขาไปปฏิภ่าแตกแยกออกไปเลยทีร่างกายละลายไปตามมันขอร่างกายละลายไปตามนั้นนั้นมันก็กําหนดตามมันกำหนดมันก็มันก็ดับบุ๊ปไปเลร่างกายเนี่ยแตกดับไปเลยพอแตดับไปครับ กายแตกดับไปแล้วเหลือใจเน่าเป็นอันสมเป็จเป็นอันปนาสมาที่เลยถิ่นะไม่มีกายเกี่ยวข้องเหลือใจเน่าได้เลยพอกายจะเป็นอันปนาแล้ววิปัสนาญาณก็เกิดขึ้นเลยเกิดเบื่อหน่ายคลายกํำลัดในลูกขันห้อยในใจมันก็เกิดขึ้นมาอันนี้ว่าตามทางที่มันเกิดนะมันก็เป็นอย่างนั้น แต่ทีถ้าวีว่าต้องเราปฏิยัติเราก็งคนมันก็พิภิพัฒนาญาณขั้นต่องเนื่องจากนั่นไปนมันก็นเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อผู้ปฏิบัติมันเข้าถึงตามหลักนั้นไม่ต้องไปนับหนึ่งสองสามปุ๊บถึงเลยเหมือนกับพูดง่ายๆเหมือนกับว่าเราจะเดินทางปกรุงเทพเดี๋ยวว่าไปกรุงเทพเอาจะเดินทางไปตั้งแต่นี้เริ่มต้นก็คือมันเชียงใหม่เดินไปเรื่อยจนกว่าจะถึงกรุงเทพน ก็เห็นบ้านเมืองเทียนงนั้นเป็นนั้นเห็นไปตามลำล่าจนถึงกรุงเทพไอบางคนไม่อย่างนั้นเขาไปทางรัดขี่ขึ้นยื่ไปเลยแต่้มเดี๋ยวก็ถึงกรุงเทพถึงกรุงเทพเลยไม่ได้เห็นนะทางผ่านนั้นบ้านไหนเมืองไหนเป็นยังไงไม่ได้เห็นแต่ก็ถึงกรุงเทพเหมือนกันเมื่อเห็นถึงกรุงเทพแล้วมันก็มีความรู้ต่างกันอย่างนี้กับผู้ที่เดินทางไป ผูเดินทางไปแนละ้วเขาจะเห็นบ้านเห็นเมืองที่นั่นที่ไ ห, หมู่คนประชาชนหมู่บ้านนั้นเขาทําบุญดีไหมทําบุญดีรู้หมดเลยแต่ว่าคนที่ขี่เครื่องบินาพาไปนั่นหออันนังที่ไปสูปป่ปฏิพฤติปฏิบัติมันว่าเดียวมันเป็นไ ป, ไปบรรลุอย่างนั้นก็เรียกว่าไม่มีวิชาพิเศษไม่มีวิชาวิเศษแต่ก็เข้าถึงจุดเดียวกันบรรลุเหมือนกัน มันรู้หมายถึงว่าหมดกิเลสละสังโยชน์ได้เหมือนกันก็เมื่อใจเพอใจว่าถึงการเป็นเนมื่อใจสงบลงปุ๊บพ อ, อพอสงบลงไปสมาธิเข้าถึงกิจแล้วนามัติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นแล้วนะสติคือความรู้ตึ้นตัแต่มันเป็นสัมปชัญญะทีี้่มันไม่ใช่ความนึกข้างนอกรู้เอาพิ่มน่อย ก, ก็คือการ มีความรู้ใจขึ้นมาพับทับนทีจับใจแล้วเนี่ยมันก็เป็นปกติแล้วทีอันนั้นก็เป็นปกติมันเป็นศีลละแต่เมื่อที่ก็ใจมั่นไม่หวั่นไหวแล้วทีเป็นอันหนึ่งอันเดียวเลยปัญญาก็เกิดรู้จริงเห็นจริงขึ้นมาอันนี้คือเวทนาอันนี้คือสัญญานี่คือสังขารนี่คือปัญญารู้จักขึ้นมาขึ้นมาสองอย่างอันนั้นคือกายนี่คือใจรูปหลางกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไปได้ตาเวทนาก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไปได้ตา เรียกว่าขันขันห้าลนะไม่เที่ยงเป็นทุกสายตาทั้งนั้นแต่ทีนี้สิ่งที่ตัวเป็นไม่ไม่ไมปไหนจางทุกอย่าก็คือใจทีนีน้ถ้ารู้มันไม่ดับเลยทีนี้นใจนะั้นเรียกว่าเนี่ใจมันรู้เห็นขึ้นมาปล่อยวางขันห้าใดเลยไม่ไปยืดไปถือไม่ถือว่านี่เรา เวทนาเป็นเราสัญญาสังขารมันจะเป็นไ ม, ไม่เป็นเราแหละมันเข้าถึงแล้วอย่างนั้นอันนี้มาว่าถึงวิธีการปฏิบัติขอให้เพียงเดียวมุ่งต้นให้เราปฏิบัติกัแเบื้องต้นตั้งใจไว้ในกรรมฐานของเราแอ้พวกเราเอาภาวนากันนี่ที่จะมาภาวนาพาพาปฏิบัติอยู่นี้เอาอนาปากับพุโทโธอนาปามันก็เป็นรูกกันนะแต่ว่าเราไม่ไม่ถืออนาปานั่นตลอดให้ใจลงถูสมาธิซะก่อน กาหนดลมหายใจพุธโทพุธโทพโทต่อยังนั้นวางกําหนดตรงรู้ให้มันเข้าสู่จุดเพื่อให้จิตนั้นเป็นหนึ่งเรียกเอกตาจิตคือจิตเป็นหนึ่งเมื่อมันเป็นได้อย่างนั้นแล้วจึงจะจะทํางานต่อเรียกว่ากําหนดรู้กายพี่นากายกําหนดรู้กายพี่นาคายจนใจมันเห็นกายแล้วจึงจึงจะเป็นวิปัสสนาขึ้นมาอันนี้เป็นอุบายวิธีย่อๆ ให้ทุกคนนัน่นไปใช้ที่ว่าว่าธรรมะจะย่อกั็แล้วกันธรรมะย่อหมายถึง อ, อ, อันที่หนึ่งเราเพียงพยายามที่จะสงบจิตเอาจิตให้ลงเป็นหนึ่งโดยใช้กําหนดลมาหายใจพทุทโธเข้าไปสู่จุดนุ่มให้เป็นหนึ่งต่อจากนั้นเราก็ฝึกขัดสอนใจนด้วยการกําหนดรู้กายที่ในกายกำหนด ร, รู้กายกับเดิงความรู้สึกกําหนดเอามาควบ ก, กายาพับทันที เหมือนก็นเอาสุ่งวงไก่เนี่ยงวง ม, มาที่กายพับแล้วก็ให้น้อมนึกพี่น่ะทุกซึ่งมันมีร่ายนียหนอนี่รูปร่างกายรูปร่างกายนี้ใจอยู่อาศัยอยู่อาศัยได้รับความทุกข์ยากลำบากได้รับความไม่สบายไม่สบาย นั่งมากมันก็เจ็บแข้งเจ็บขาปวดเื้อปวดตัวนอนมากมันก็เปิดแข้งมาเจ็บยืนเดินนั่งนอนมันทุกทั้งนั้นเรื่องเครื่องบำรุงกายเนี่ได้กินกินกินมากกา็ทุกไม่ได้กินก็ทุกเพราะนแต่เป็นทางให้เกิดทุกทําไหมทีนึงทำไมจึงทุกอย่างนั้นกายมันเป็นเป็นทุกข์เหรอ กายไม่มาแตเป็นทุกข์แต่ว่าใจนี้นเป็นผู้รับใจเป็นผู้รับทุกข์ของกายเรียกว่ากายยึดกับทุกข์ทุกทางกายแล้วก็ใจนะเป็นผู้รับทำไมจะเป็นทุกข์ที่มันเป็นทุกข์เนีกับเพราะมันไม่เที่ย ง, งหรือร่างกายของเราเนี่ยมันเปลี่ยนกันทุกคนทั้งชายทั้งหญิงเราเห็นอยู่แนะทั้งในก็เป็นเด็กเป็นเล็กต่อไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไป เป็นเด็กน้อยเด็กใหญ่เป็นคนหนุ่มเป็นเช่นสาวเป็นคนปานกลางเป็นคนเฒ่าคนแก่ก็ซาลาแต่กลับตายเนี่มันเป็นอย่างนั้นธรรมดามันเป็นอย่างนั้นแล้วเพราะมันไม่เทียงเนาะมันจะมีทุกข์พะเรากวทุกข์ทุกข์มันอยู่ที่กายมม่อยู่ที่อื่นนะเราทุกข์อยู่ตรงนี้เรากําหนดเราทุกข์ตัวทุกข์ตัวใจเป็นผู้รับทุกข์เมื่อเราพิจารณา กายของเราด้วยกองไปไหนแจ้งทุกน่ะแล้วหยุดกลับมาสงบจิตต่อให้รู้อยู่ที่ใจเลยลื่นไปที่ไม่ต้องคิดนึกปรุงใจ่งให้ใจนิ่งออกไปมันจะนิ่งในหน่อยน้อยมากเท่าไหร่ก็ให้ไปลงวิจิตเป็นหนึ่งไว้ก่อนแต่ถ้ายังไม่ถึงก็กลับมาพี่นาพี่นาหลังกายกําหนดการพี่นากายหลังกลับไปกลับไ ป, ก ล, บไปกลับมาอยู่คนสุดท้ายก็ให้รู้อยู่ที่ใจเลย จะได้แค่ไหนเพียงใดก็เอาแค่นั้นแต่เมื่อทำงานเข้านานเข้ามหากเป็นไปเองเราเราไม่ต้องไปห่วงวอย่างนี้เรียกว่าเราใช้ความเพียรความเพียรความพยายามถ้าว่าตามอินทรีย์ก็เรียกว่าเราปฏิบัติอบรมอินทรีย์อินทรีย์ห้าคือศรัทธาริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาตัวต้นเมื่อใจของเรายังไม่สงบเราต้องปลูก คือสร้างความเชื่อมั่นให้เราบอกว่านี่ทางที่จะให้เราพ้นจากชาติเจลาภัยนี่มันอยู่ที่นี่อ ย, นอยู่ที่การฝึกขัดภาวนาใ น, นต่างหากทางที่จะบ้นทุกไม่มีไม่มีนอกจากนี้ทางที่มันจะวางไว้ให้ดีนะปฏิบัติให้ปฏิบัติตามองค์มัชย์อนี้แล้วก็ปฏิบัติอยู่ปฏิบัติตามองค์วัชตอนท้ายคือสัมมาวาจาสัมมาสติคือตั้งสติให้ใจเป็นสมาธิ แล้วจึงจะเกิดปัญญาทำทางนี้ท่านนะเป็นทางที่ใจเลยมักจะผลจะนําให้เราพ้นทุกข์ยากลำบาเมื่อเราคิดถึงขนอ น, นิสงที่เราจะผลได้พผลถึงความเชื่อเน่วเน่เนของเราก็มีบอกเลยทางที่จะพ้นทุกข์อยู่ที่ทางที่จะ้นแก่เจ็บตายอยู่ตรงนี้ทางที่ไม่เห็ทุกข์ยากลำบากอยู่ตรงนี้แต่ในขณะนี้ใจของเรามาคลองร่างกาย แต่นันกรรมก็ไม่ทุกธรรมดาเนี่ทุกกับร่างกายเป็ธรรมดาแล้วก็แก้ไขไปตามสภาวะนะแต่พระพุทธเจ้าสอนว่าให้เพียรพยายามไปสร้างปฏิบัติอย่างนี้เพื่อให้สติสมาธิปัญญาณเกิดขึ้นคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าในประจัสรู้แล้วสอนไว้ให้พวกเราปฏิบัติให้มันให้มันมีมันเป็นถ้าเราจะท่องอวศินอย่างนี้สมาธิอย่างนี้ปัญญามันไม่ยากอะแต่เราปฏิบัติถ้ามันเกิดขึ้นในจิต เรื่องไให้จิตเขาว่าเราของเรามันมีของเราเป็นเมื่อเราสร้างศรัทธาอย่างนี้ขึ้นมาวิยะความเพียนมันก็มีเลยนะศรัทธาความเชื่อแล้วก็ฉันทักคือความยินดีความพอใจในการปฏิบัตมิมันก็มีดิเมื่อฉันทักเกิดแล้ววิยะความเพียรความพยายามความเพยียรพยายามที่จะรักษาใจเพียรพยายามที่จะรักษาจิตเพียรพยา ย, ยามที่จะภาวนามันก็มีขึ้นนีเพียรพยายามมากเ ข, ข้ามากเข้า พยายามรักษาสติเพียนพยายามรักษาใจเด็กทีปฏิบัติอย่างเพี้ยนรักษาใจอย่าง ก, กําเนดลมหายใจผู้ทุกคนแ้ว ก, ก็กมาตั้งรักษาจิตของทราทำมันนิ่งจนได้จุดเพีน้นั่นเนี่ยเป็นความเพียนภายในเมื่อสัมมาสติเมื่อสัมมาสตินั้นบริบูรณ์แล้วเมื่อใดใจก็สง บ, งบลงบึบลงตุกวงังมันเดี๋ยวสัมมาสมาธิเมื่อสัมมาสมาธิมันเกิดขึ้นแล้ว มันก็เป็นทางให้เกิดสัมมาทิฏฐิองค์มรรคต้นสัมมาทิฏฐิแป่ว well, ่าเห็นออบเห็นไรลเห็นเนื้อเยื่อสตนี่คือทุกนี่คือตัวมวยไทยนี่คือนิ้วนี่คือมัดหรือไม่ใช้กับรู้ก่านี่คือรูปร่างกายนี่คือเวทนานี่คือสัญญานี่คือสังขารนี่คือวิญญาณรู้กันไหม ในการเกิดรู้ขึ้นมาอย่างนั้นนี่ปอบสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้งก็เป็นทางให้เกิดดํำดิในทางที่ถูกต้องได้นี่ข้อปฏิบัติที่เรากระทาแล้วประกอบอย่างก็ไปไปตามดีกว่าเราดําเนินตามมาดำเนินตา ม, มน้ำเกิดนี่หดําดเนินตามติตมดธรรมปัญญานั่นแหละไม่ต้องไปแยกมันละให้เราปฏิบัติประจํานี้เลยเก็เรียกว่าเราทําถูกต้องแล้ว ศรัทธาเวทยาความเพียงสติเราตั้งสติเมื่อสติและสมาธิตั้งมันลงเมื่อสมาธิตั้งมันหรอกปัญญาเกิดอี 4, สีา่าศรัทธาเวทสติสมาธิปัญญ า, าเมื่ออินรีย์ทั้ง5นี้บริบูรณ์ในจิตแล้วเมื่อใดนั่นอะ่ะเป็นทางให้บรรลุมรรคะมันก็จะเกิดขึ้นเป็นทางให้เราบรรลุมรรคจากนันเราก็เพียงแต่ว่าตอบโยนใจของเราให้เกิด ความยินดีพอใจเองเนะเราปฏิบัติกันไปนเรื่อยๆสิ่งนั้นนื้มก็จะเกิดก็จะมีขึ้นเองถือเชื่อพุทธเจ่วาวะให้สร้างกรรมทําประกอบไปเรื่อยๆมันก็จะมีก็จะเป็นอย่าให้ใจเขาเรามันอย่าให้ศรัทธาของเรา อ, อ่ อ, อนๆหรือเมื่อเรารู้ตัวว่าเมื่อใจของเรายังไม่สงบศรัทธามันอ่อนต้องปลูกกันเรื่อยๆแต่เมื่อใจสงบเป็นสมาธิาปปแล้วไม่จำเป็นปลูกหมดแล้วเนีศรัทธานะเชื่อมั่นแน่วแน่นะเลยาปฏิบัติตัวมีแล้ว อตอนนี้ไปทุกคนก็ไปกันสงบใจต่อไป <c oughs> ยังเหลือเวลาอีกสิบนาที